ทำ ม, มากที่จะเกิดเวลาเราภาวนาส่วนมากไม่ได้มาเกิดตอนที่เรามานั่งรวมกันนั่งสมาธิรวมกันไม่ได้มาเกิดตอนนี้หรอกส่วนมากจะเกิดในขณะที่อยู่ตามธรรมชาติธรรมดานในปกติชีวิตประจําวันมันจะเกิดขึ้นตอนนั้น อย่างที่ท่านไปเที่ยวสุดงพิเศษอะไรต่รางๆนั้นนหะในขณะที่ท่านเดินไปนี่เนนะี่ยเดินไปไปพบสิ่งต่างๆไปพบพื้นที่บางไปพบภูเขาไปพบไร่ไร่เก่าไร่ร้างอาจจะเป็นไร่ปลูกข้าวโพดเก่าไร่ปลูกข้าวฟ่างเก่าที่มันร้างแล้ว บางทีก็ไปพบเอาเสียงนากระต๊อกกระต๊อกนาเสียงนาเก่าอย่างนั่นแหละเวลาท่านไปไปพบเข้าแล้วมันเกิดเกิดความรู้จักขึ้นมาภายในเกิดความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติต่างๆบางทีไปเห็นไปเห็นตัดต่าเป็นพวกเก้ง เวลาไปทักอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นรอยเท้าเก้งรอยเท้าตักมาอยู่ ใ, ใกล้ๆเกิดความทราบซึ่งเกิดความเข้าออเข้าใจขึ้นมาภายในซึ่งไม่มีใครมาบอกอย่งเช่นไปเห็นสะ๊อตนาเสีย<า>งนาเก่าจิตใจมันจะทราบซึ้งเข้าไปเลยเห็นความเป็นใจของ นึกเห็นความเป็นใจของเจ้าของเสียงนานะ่ยว่าเวลาเขามามาใกล้มานาเขาเขามาถึงกระสอบไร่เขามาที่กระสอบไาารบไ่เขานี่เขาจะเอาอะไรมาบ้านเขาจะเอาข้าวมากระติบหนึ่งเอาอาหารมาเล็กๆน้อยๆสินประเทศน้ำซีสสินประเท ศ, เทศแก้วบองอะไรอย่างนี้แหละแล้วจอดเสียงมา พุทตาขึ้นมาบนภูเขาเนี่ยตั้งไร่และมาถางป่ามาค้นป่ามาถางป่าปลูเพื่อสันดญยาหารเนี่ยเจ้าข้าโพดที่สูกมันไม่รู้ได้เป็นหมากเป็นผลสักเท่าไหร่ดูแล้วเวลาจะผลนี่สมมติว่ามันออกผลแล้วออกเป็นฝักข้าโพดแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บ เดีจยวต้องขนกับลงภูเขาไปโน่นไม่ใช่ดเชิงเขาเนะี่ะข้ามภูเขาไปอีกสองลูกจังเนี้นะแล้มองนึกเห็นภาพว่าการอยู่การกินของเขานะี่ะที่มากินที่ตรงเสียงนานนะคงจะมีแค่นั้นแหละมีเศษแจวบองมีข้าวเหนียวแล้วก็คงจะมียอดผักต้นผักต้นยอดไม้ยอดผักแถวนั้นนะ อามากินเป็นถักทิ้นคงจะมีเท่านั้นแนละแล้วชีวิตของเขาในบุบบา่าป่าฟันด้วยความเหนื่อยยากลาบากกว่าจะเดินมาถึงไร่แล้วกว่าจะไปไถไร่กว่าจะลูกว่าจะเก็บกว่าจะดูแลเฝ้าดูแลเน่ยนะมันใช้กำลังงานมากใช้เวลาทั้งวันหลายวันกว่าจะได้ได้ข้าวโพดมาสักเต็มไร่นั่นแนละแล้วก็ยังไม่ยังไม่พออีกต้องเหนื่อยอีก เ้าโพดลงค้นเท้าโพดลงไปโน้นลงไปแล้วก็ยังยังขายก็ไม่ค่อยจะได้บางทีต้องไปจ้างเขามาสีซะก่อนสีจะเพาะเขาเม็ดท้าโพดซะก่อนแล้วค่อยสิงจะได้ขายนะแล้วได้เงินก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่คื้ผลกรตเสริฐเนี่ยเวลาเอาไปขายเนี่ยมันอยู่ในกํามือของก่อค้าในกํามือของตลาดเขาจะให้ปี๊หนึ่งเท่าไหร่กิโลนึงเท่าไหร่ ก็จำจะต้องได้ขายเขาเนี่ยคิดเข้าอกเข้าใจไปว่าทั้งหมดนี่จะได้กี่บาทนาะกับเวลาที่เขาเสียไปทั้งหมดในช่วงสามเดือนในช่วงปีหนึ่งเท่านะัได้แค่ ก, กี่บาทนะแล้วเขาเองก็มีลูกมีเนี่ยจะต้องเลี้ยงต้องดูอีกแถมจะเดือดร้อนลำบากลําเข็นแท่ไหนตัดตื้นเข้าไปแหละ แล้วไปนึกไปเนี่พิจารณาแล้วมันเห็นว่าคนเราเนี่เกิดมาเนี่ยดิ้นรนขวนขวายอยู่เสียใจลำเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากมายไม่ได้คิดพิดจรารณ า, าหรอกว่าจะมาประพฤติปฏิบททัติทำเป็นอัดเป็นธรรมอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสเลยเนี่ยเขาเกิดมาเป็นคนเหมือนเหมือนเรานี่แหละเหมือนเราที่กาลังเดินทุ่ดงเนี่ย แต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสจะได้มาคิดเรื่อยซ้ำไปเนี่ยน่าสงสารเกิดมาเป็นคนเหมือนกันในยุคเดียวกันแค่แท้เนี่ยช่างอาภัพอาภัพโอกาสไม่มีโอกาสเนี่ยมองเห็นว่าสัพะสัจทั้งหลายเป็นอย่างมีแพทยทั้งนั้นก็เกิดความทราบจึงเกิดกำลังใจของตนว่าตนเองมีโอกาสดีแล้ว ความเข้า อ, อกเข้าใจของตนต่อสรรพรัติทั้งหลายต่อธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันทราบซึ้งเข้าไปอันนี้เป็นเหตุหนึ่งทาให้ท่านมีกำลังมีกำลังใจมีความคิดที่ผ่องใสแจ่มใสว่าต่อไปนี้เรื่องอย่างนี้ท่านไม่มีวกกลับไปอีกแล้วไม่มัวชัวมันอย่างเก่าแต่ก่อนอาจจะคิดว่าจะไปทำนั่นดีมั่งจะออกไปทำนี่ดีมั่งมันหาย มันเห็นว่าเต็มไปด้วยความยากลําบากเดือดร้อนและก็ไม่มีไม่มีความหวังอะไรเลยที่จะมุดออกไปจากกองลําบากเดือดร้อนเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วก็มองเห็นรูปทางของตนเองชัดเจนขึ้นอย่างนี้ยธรรมะเกิดมันเกิดในในโอกาสอื่นหรอกส่วนมากไม่ได้มาเกิดในโอกาสที่เรามานั่งรวมกันภาวนาไม่เกิดตรงนี้หรอก มันจะเกิดในธรรมชาติธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นธนะูบาอาจารย์พวกเราดังนั้นเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยอย่าส่งใจหนีไปที่อื่นคิดเท่นพ่านให้พิจารณาคิดพิจารณาสังเกตรู้จักสังเกตใจเจ้าของรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆน้อมลงให้เป็นอัตเป็นธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะให้เกิดเป็นธรรมะในเราได้เท่านั้นแนะ่ะถ้าเราไม่เพิกเฉยแค่ อ, อ, อย่างเดียวเท่านั้นเยอะแยะในโลกนี้นะ่ไม่จำเป็นต้องมารอฟังแต่หลวงปู่ต้องมารอฟังแต่ธรรมะจากเทศจากอะไรดอกถ้าต้องโอ่งต้งใจอยู่แล้วมันเป็นอัดเป็นทำถ้าซึ้งดีซะอีก